3. นันทวัชหมวดว่าด้วยพระนันทะเทระหนึ่งกา ม, มวิปากะชะสูตรว่าด้วยการอดกลั้นทุกขเวทนาที่เกิดจากผลกรรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกาเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งนั่งคูบันลังตั้งกายตรงอดกลั้นทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนที่เกิดจากผลแห่งกรรมเก่ามีสติมีสัมปชัญญะไม่ร้อนรุ่มใจอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้นผู้กําลังนั่งคูบันลังตั้งกายตรงอดกลั้นทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อน ที่เกิดจากผลกรรมเก่ามีสติมีสัมปชัญญะไม่ร้อนรุ่มใจอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุผู้ละกรรมทั้งหมดได้กาจัดกรรมที่เป็นดุทุลีที่ตนเคยทำไว้ได้ไม่มีความยึดถือว่าของเราดารงมั่นคงที่ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกให้คนช่วยเยียวยากรรมวิปากะชะสูตรที่หนึ่งจบ 2. นันทสูตรว่าด้วยพระนันทะเถระ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตาวันอารามของอนาถบิเิกะเศรษฐีเขครุงสาวถีสมัยนั้นท่านพระนันทพระภาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุจชาได้บอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้กระผมจะบอกคืนศิกขากลับมาเป็นคราะห์ครั้งนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระภาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุชา ได้บอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้กระผมจะบอกคืนศึกขากลับมาเป็นข้อรหัสลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกนันทะมหาเราว่าท่านนันทะพระาศาสดารับสั่งหาท่าน ภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระนันทะว่าท่านนันทะพระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระนันทะรับคําของภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรถามท่านพระนันทะดังนี้ว่านันทะ ทราบว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้กระผมจะบอกเคิร์นศึกขากลับมาเป็นขรรหจริงหรือท่านพระนันทะทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามต่อไปว่านันทะก็เพราะเหตุอะไร เธอจึงไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จากบอกเคยศึกขากลับมาเป็นค้อรหัสท่านพระนันทะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขณะที่ข้าพระองค์กำลังออกจากพระตำหนักนางชนบทกาลยานีสากิยานีมีเกสาที่แกล้าไว้เพียงเครื่องเดียวเหลียวมากล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ทูลกระหม่อม ขอพระองค์รีบเสด็จกลับมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นเมื่อ น, นึกถึงคําของพระนางทีรัยก็ไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จึงจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจับแขนท่านพระนันทะเสด็จหายไปจากพระเชตวันไปปรากฏในหมู่เทวดาชั้นดาวดึง เหมือนคนมีกำลังเยียแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นขณะนั้นนางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิรา ป, ประมาณห้าร้อยนางกำลังมาสู่ที่เฝ้ารับใช้เท้าส ก, กะจอมเทพท่านใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเรียกท่านพระนันทะมาตรามว่านันทะเธอเห็นนางอับสรนผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราห้าร้อยนางเหล่านี้หรือไม่ ท่านพระนันทะทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรถามต่อไปว่านันทะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือระหว่างนางชนบทกาลยานีสากิยานีกับนางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบห้าร้อยนางเหล่านี้ใครสวยกว่ากันหน้าดูกว่ากันหรือหน้าชมกว่ากันท่านพระนันทะทูลตอบว่า ค้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางชนบทกระยาณีสาขิยาณีเมื่อเปรียบเทียบกับนางอับสอนห้าร้อยนางเหล่านี้ก็เหมือนนางลิงรุ่นถูกไฟไหม้อวัยวะหูวิ่นจมูกแหวงคือสวยไม่ถึงหนึ่งเซียวสวยไม่ถึงส่วนหนึ่งของเซียวเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยโดยที่แท้นางอับสอนห้าร้อยนางเหล่านี้แลสวยกว่าน่าดูกว่า และน่าชมกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเ ธ, เธอจงยินดีเธอจงยินดีเถิดนันทะเราขอรับรองเธอเพื่อได้นางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบห้าร้อยนางแน่ๆท่านพระนันทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคจะทรงรับรองข้าพระองค์ เพื่อได้นางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบห้าร้อยนางแน่แท้ข้าพระองค์จักยินดีพระพฤติพรมจันทร์พระพุทธเจ้าค่าท่านใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจับแขนท่านพระนันทะแล้วเสด็จหายไปจากหมู่เทวดาชั้นเดวดึงไปปรากฏณพระเชตวันเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังข่าวว่า ทราบว่าท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุชาประพุติพรมจันทร์เพราะนางอับสอนเป็นเหตุทราบว่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองพระนันทะเพื่อให้ได้นางอับสรนผู้มีสีเทา้าเหมือนสีเทา้านกพิราบห้าร้อยนางตั้งแต่นั้นมาภิกษุทั้งหลายที่เป็นสหายของท่านพระนันทะ ก็ร้องเรียกท่านพระนันทะด้วยวาจาว่าลูกจ้างบ้างด้วยวาทะว่าผู้ถูกถทยมาบ้างว่าทราบว่าท่านพระนันทะเป็นลูกจ้างทราบว่าท่านพระนันทะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงถทยมาประพฤติพรหมจรรย์เพราะนางอับสรเป็นเหตุทราบว่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองพระนันทะ เพื่อให้ได้นางอับสอนผู้มีสีเทา้าเหมือนสีเทา้านกพิราบ5้าร้อยนางท่านพระนันทะอึดอัดระอารังเกยียวาทะว่าลูกจ้างและวาทะว่าผู้ถูกไถามาของภิกษุผู้เป็นสหายเหล่านั้นจึงจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเกิดพระญาณรู้ว่านันทะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันครั้นคืนนั้นผ่านไป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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่านันทะแม้เราเองก็กำหนดรู้ใจเธอด้วยใจว่านันทะทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้เทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แกเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระภาดาของพระผู้มีพระภาค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 พุทธอุทานภิกษุใดข้ามเปือกตมคือกามได้ย่มยีน้าคือกามได้ภิกษุนั้นบรรลุความสิ้นโมหะย่อมไม่วันไวเพราะสุขและทุกข์นันทสูตรที่สองจบ ยะโสชะสูตรว่าด้วยพระยะโสชะเถระเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเบนิกะเศรษฐีเขกรรงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุประมาณห0 0รอรูปมีพระยะโสชะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาค ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแลกกำลังทักทายกับภิกษุเจ้าถิ่นปูร่าเสนาสนะเก็บบาทและจีวอนอยู่จึงได้ส่งเสียงอื้ออึงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเรียกพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ภิกษุพวกไหนส่งเสียงอื้ออึงเหมือนพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระอนนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเหล่านั้นมีพระยะโสชาเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงกรงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นแลกกำลังทักทายกับภิกษุเจ้าถิ่นปูลาเสนาสนะเก็บบาทและจีวร อ, อยู่จึงได้ส่งเสียงอื้ออึงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ถ้าเช่นนั้น เธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาหาเราว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายท่านพระอานนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่เดียกกล่าวกับภิกษุเหล่าลนั้นว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระอานนแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรเธอทั้งหลายจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนพวกชาวประมงแย่งปลากันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระยะโสชะจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้รอรูปเหล่านี้เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลาดับ เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นทักทายกับภิกษุเจ้าถิ่นปูร่าไสานาสนะเก็บบาตรและจีวร อ, อยู่จึงได้ส่งเสียงอื้ออึงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเสียเถิดเราขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พากันลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทแล้วทำประทักษิณเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรเที่ยวจ่าริกไปทางแคว้นวัชีเที่ยวจ่าริกไปโดยลําดับจนถึงแคว้นวัชีแล้วไปที่แม่น้ําวัคคุมุธาสร้างกูดีมุงด้วยใบไม้เข้าอยู่จำพรรษาใกล้ฝั่งแม่น้ําวัคคุมุธาครั้งนั้นท่านพระยะโสชะผู้เข้าจำพรรษาอยู่ด้วย ได้เรียภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหวังประโยชน์แสวงหาประโยชน์ทรงอนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงขับไล่พวกเราเอาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอพวกเราจงอยู่อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหวังประโยชน์กละพวกเราเถิดภิกษุเหล่านั้นรับคาของท่านพระยะโสชะ แล้วก็ปลีกตัวไปไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกายและใจอยู่ภายในพรรษานั้นนั่นแลทุกรูปก็ได้ทำให้แจ้งวิชาสามประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีตามพระอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จจ้ารึกไปทางกรุงเวสาลีเสด็จจ้ารึกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีประทับอยู่ณปูตาคาลสาลาในป่ามหาวัน เคครุงเวสาลีนั้นขณะประทับอยู่ที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสษการกำหนดจิตของภิกษุที่อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ําวักคุมุธาด้วยพระทยัยแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ที่ทภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ําวักคุมุธาอยู่จำพรรษานี้เป็นเหมือนเกิดแสงสว่างเป็นเหมือนเกิดรัศมีปรากฏแก่เรา เธอคงไม่รังเกียจที่จะไปเพื่อความสนใจของเราอานน์เธอพึงส่งภิกษุผู้เป็นทูตไปสำนักภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคูมุทาพร้อมกับสั่งว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะพบท่านทั้งหลายท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่เรียก่าวกับท่านว่า ผู้มีอายุท่านจงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่ น, น้ำวักคูมุธาถึงที่อยู่แล้วพูดอย่างนี้ว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะพบท่านทั้งหลายภิกษุรูปนั้นรับคําท่านพระอานนท์แล้วก็หายไปจากปูตาคารศาลาในป่ามหาวันไปปรากฏเบื้องหน้าภิกษุเหล่านั้นณนะใกล้ฝั่งแม่ น, น้ำวักคูมุธา เหมือนคนมีกำลังเยยดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉชนนั้นแล้วเรียกกล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวักคูมุทาว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะพบท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของภิกษุนั้นแล้วเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรพร้อมกับหายไปจากฝั่งแม่น้ำวักคูมุทา ไปปรากฏเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคณกูตะคารสาลาในป่ามหาวันเหมือนคนมีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเข้าอาเนญชฌสมาธิครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบาัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยวิหารธรรมไหนหนอครั้นแล้ว สิกษุเหล่านั้นก็ได้รู้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยอเนเชวิหารธรรมทุกรูจึงพากันนั่งเข้าอเนญชสมาธิครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ก็ลุกจากที่นั่งหอมจีวรเฉวงบาข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ เด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุอาคันตุกะนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงทักทายกับภิกษุอาคันตุกะด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อท่านพระอาโ น, น์กราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคก็ยังประทับนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีผ่านไปแล้ว มัชิมัยามผ่านไปแล้วท่านพระอานน์ก็ลุกจากที่นั่งหมจีวรเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วมัชิมยามผ่านไปแล้วภิกษุอคันตุ ก, กะนั่งอยู่นานแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงทักทายกับภิกษุอคันตุกะด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคก็ยังประทับนิ่งอยู่เช่นเดิมแม้ครั้งที่สามเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปัจฉิมยามผ่านไปแล้วเข้ารุ่งอรุณเริ่มสว่างท่านพระอานนท์ก็ลุกจากที่นั่งหมจีวรเฉวยงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่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 รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ถ้าเธอพึงรู้ใซ้ความแจ่มแจ้งแม้นี้ก็ยังไม่ปรากฏชัดแก่เธออานนท์เรากับภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ทั้งหมดได้นั่งเข้าอเนญชสมาธิลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน ภิกษุใดละน้ำคือกามได้ชนะการด่าได้ชนะการทำร้ายได้และชนะการจองจำได้ภิกษุนั้นดำรงมั่นไม่วันไหวดุจภูเขาย่อมไม่วันไหวเพราะสุขและทุกข์ยโสชะสูตรที่สาจบ สสารีบุตรสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรเทระเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินิกาเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรผู้กําลังนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้เขาศิลาล้วนตั้งมั่นไม่วันไหวฉั้นใดภิกษุข้อฉันนั้นเพราะสิ้นโมหะ ย่อมไม่วันไว้ดุดภูเขาสารีปุตตะสูตรที่สจบ 5. มหาโมคลานสูตรว่าด้วยพระมหาโมคลานเทระเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณกะเศรษฐีเคโครงสาวทถีสมัยนั้น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 จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุที่เจริญกายคตาสติแน่วแน่สำรวมในภาษายัตนาะทั้งหกมีจิตตั้งมั่นเสมอก็จะพึงรู้การดับกิเลสของตนได้มหาโมคลานสูตรที่หจบ 6. ปิลินทาวัชสูตรว่าด้วยพระปิลินทาวัชเทระ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 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปิลินทวัชชะร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะวา่าคนถอยพระพุทธเจ้าขา่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกพระปิลินทวัตชะมหาเราว่าท่านปิลินทวัชะ พระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัชชะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระปิลินทวัชชะว่าท่านปิลินทวัชชะพระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระปิลินทวัชชะรับคำของภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาท้าแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านดังนี้ว่าปิลินทวัชชะทราบว่าเธอร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยจริงหรือท่านพระปิลินทวัชชะทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึงอดีตชาติของท่านพระปิลินทวัชชะแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าถือโทษวัชชะเลยวัชชะหาได้มุ่งร้ายร้องเรือภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยไม่วัชชะเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันไม่มีช่วงขั้นถึงห้าร้อยชาติการใช้วาทะว่าคนถอยนั้นเธอก็ประพฤติมานานแล้วเพราะฉะนั้นวัชชะนี้จึงร้องเรือภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่มีมายาไม่มีมานะสิ้นโลภะแล้วไม่มีการยึดถือว่าของเราไม่มีความหวังและความกโกรธได้มีจิตสงบเย็นยิ่งนักผู้นั้นชื่อว่าพรามสมณนะภิกษุ ปิลินทวัชชาสูที่หจบเจ็ดสั ก, กุทานสูตรว่าด้วยการเปล่งอุทานของเท้าสักกะเขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขครุงราชครึอสมัยนั้นท่านพระมหา迦สปะนั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบรรลังเดียวอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันณถ้ำปิดผลิคูหาครั้นล่วงไปเจ็ดวันท่านพระมหา迦สปะก็ออกจากสมาธินั้นเมื่อท่านพระมหา迦สปะออกจากสมาธินั้น ได้มีความคิดแต่งนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปบินทบาทเตียงกรุงราชครือสมัยนั้นเทวดาประมาณ500องค์ขนขวายเพื่อให้ท่านพระมหากษัตริยได้รับบินทบาทครั้งนั้นท่านพระมหากษัตริยจึงห้ามเทวดาประมาณ500องค์เหล่านั้นในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบินทบาทเตียงกรุงราชครือขณะนั้น เท้าส ก, กะจอมเทพมีพระประสงค์จะถวายบินทบาตแก่ท่านพระมหากัสสปะจึงทรงแปลงพระวรกายเป็นนายช่างหูกทอผ้าอยู่นางสุชาดาอสุรกัญญากำลังกรอได้หลอดฝ่ายท่านพระมหากัสสปะเที่ยวบิทบาทตามลำดับตรอกถึงนิเวศของเท้าส ก, กะจอมเทพเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสสปะกำลังเดินมาแต่ไกล จึงเสด็จออกจากเรือนทรงต้อนรับทรงรับบาจากมือเสด็จเข้าเรือนทรงคดเข้าสุกจากหม้อใส่เต็มบาถวายท่านพระมหากัะสปะบินดบาทนั้นได้มีแกงและกับข้าวหลายอย่างท่านพระมหากัะสปะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอจึงมีฤิธานุภาพถึงปานนี้ลำดับนั้นท่านพระมหากสปะได้มีความคิดอย่างนี้ว่า คงเป็นเท้าส ก, กะจอมเทพแน่จึงได้กล่าวกับเท้าเธอดังนี้ว่าเท้าโกสีทำไมพระองค์จึงทรงทาอย่างนี้ต่อไปอย่าได้ทำเช่นนี้อีกเท้าส ก, กะจอมเทพตรัสตอบว่าขอรับท่านกัสปะพวกเราทั้งหลายก็ต้องการบุญจึงควรทำบุญเหมือนกันต่อจากนั้นเท้าส ก, กะจอมเทพทรงอภิวาท่านพระหมหากัสปะ ทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศทรงเปล่งอุทานกลางอากาศสามครั้งว่าโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้ว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 ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเทวดาทั้งหลายย่อมเคารพรักภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงคนอื่นผู้คงที่ผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อสัปุทานสูที่เจ็ดจบปด บินทปาติกะสูตรว่าด้วยการสนทนาเรื่องบินทบาทข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกเศรษฐีเคครุงสาวถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในกรเรริมณดบ ได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือบินทบาทเป็นวัดเมื่อกำลังบินทบาทย่อมได้เห็นรูปที่น่าพอใจทางตาตามการอันควรย่อมได้ฟังเสียงที่น่าพอใจทางหูตามการอันควรย่อมได้ดมกลิ่นที่น่าพอใจทางจมูกตามการอันควรย่อมได้ลิ้มรสที่น่าพอใจทางลิ้นตามการอันควร ย่อมได้ถูกต้องภัรษะที่น่าพอใจทางกายตามการอันควรท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้บินธบาตเป็นวัดเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมขณะเที่ยวไปบินธบาต ท, ท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอพวกเราจงเป็นผู้ถือบินทบาตเป็นวัดเถิดแม้พวกเราก็จกได้เห็นรูปที่น่าพอใจทางตาตามการอันควร จะได้ฟังเสียงที่น่าพอใจทางหูตามการอันควรจกได้ดมกลิ่นน่าพอใจทางจมูกตามการอันควรจะได้ลิ้มรสที่น่าพอใจทางลิ้นตามการอันควรจะได้ถูกต้องผัรษะที่น่าพอใจทางกายตามการอันควรพวกเราจากเป็นผู้ที่มหาชนสการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมขณะเที่ยวไปบินธบาต อันตรากถาของภิกษุเหล่านั้นเดือดค้างไว้เพียงเท่านี้ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังกรเรริมนดบประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร และพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในกระเรริโมนดบได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือบินทบาทเป็นวัดเมื่อกาลังบินทบาท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 เป็นผู้ที่มาหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมขณะเที่ยวไปบินธบาต ท, ท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอพวกเราจงเป็นผู้ถือบินธบาติเป็นวัดเถิดแม้พวกเราก็จกได้เห็นรูปที่น่าพอใจทางตาตามการอันควรจกได้ฟังเสียงที่น่าพอใจทางหูตามการอันควรจกได้ดมกลิ่นที่น่าพอใจทางจมูกตามการอันควร จกได้ลิ้มรสที่น่าพอใจทางลิ้นตามการอันควรจกได้ถูกต้องผัสสะที่น่าพอใจทางกายตามการอันควรพวกเราเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมขณะเที่ยวไปบินทบาทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรากฐานี้แหลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพูดค้างไว้พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข่า